สิบห้าปฏิสัมพิทาวิพังหนสุตตันตภาชฉนี 1. สังฆะวานเ 1. ็ร้อยปปฏิสัมพิทาสคือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิทาหมายถึงปัญญาแตกฉานในอัฏ 2. ธรรมปฏิสัมพิทาหมายถึงปัญญาแตกฉานในธรรม 3. นิรุตติปฏิสัมพิทา หมายถึงปัญญาแตกฉานในนิวรุดสี่ปฏิภาณะปฏิสัมพิทาหมายถึงปัญญาแตกฉานในปฏิภาณความรู้ในอัตชื่อว่าอัตปฏิสัมพิทาความรู้ในธรรมชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิวรุธนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาความรู้ในญาณทั้งหลาย ชื่อว่าปฏิพาณปฏิสัมพิทานี้ชื่อว่าสังฆวาน 2. อสัจวาลเจ็ปฏิสัมพิทาสคือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิทา 2. ธรรมปฏิสัมพิทา3นิรุตติปฏิสัมพิทา 4. ปฏิพาณปฏิสัมพิทา ความรู้ในทุกช um it ื itet, ่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในทุกขสมุทัยชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในทุกขณีโรธชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในทุกขณีโรธคามินีปฏิปทาชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทา ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิพานปฏิสัมพิทานี้ชื่อว่าสัจจวานสาเหตุวานเจยี่สปฏิสัมพิทาสีคือ 1. อัฏฐปฏิสัมพิทาสองธรรมปฏิสัมพิทา 3. นิรุตติปฏิสัมพิทา สปฏิภาณปฏิสัมพิทาความรู้ในเหตุชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในผลของเหตุชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทานี้ชื่อว่าเหตุวา4ธรรมวาน ร้อปฏิจัมพิทา4คือ 1. อัตถปฏิจัมพิทา 2. ธรรมปฏิจัมพิทา 3. นิรุติปฏิจัมพิทา 4. ปฏิภาณปฏิสัมพิาทาธรรมเหล่าใดเกิดแล้วมีแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้ว ความรู้ในธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอัตถปฏิสัมพิทาธรรมเหล่านั้นเกิดแล้วมีแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วเพราะธรรมเหล่าใดความรู้ในธรรมเหล่านั้นชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุ์นั้นชื่อว่านิวรติปฏิสัมพิทา ความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทานี้ชื่อว่าธรรมวาล 5. ปฏิจัดสมุปปาทวาน 722. ปฏิสัมพิทาสี่คือหนึ่งอัฏฐปฏิสัมพิทาสองธรรมปฏิสัมพิทา 3. นิรุตติปฏิสัมพิทา 4. ปฏิพาณปฏิสัมพิทา <ส>ความรู้ในชรามรณะชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิธาความรู้ในเหตุเกิดแห่งชรามรณะชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิธาความรู้ในความดับแห่งชรามรณะชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิธาความรู้ในปฏิปทาที่เป็นเหตุให้ถึงความดับแห่งชรามรณะชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิธา ความรู้ในการกล่าวธรรมนิวรณ์นั้นชื่อว่านิรุติปฏิสัมพิทาความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทา723ปฏิสัมพิทา4คือ 1. อัตตปฏิสัมพิทา 2. ธรรมปฏิสัมพิทา 3. นิรุติปฏิสัมพิทา สี่ปฏิภาณปฏิสัมพิธาความรู้ในชาติความรู้ในภพความรู้ในอุปาทานความรู้ในตัณหาความรู้ในเวทนาความรู้ในผัสสะความรู้ในสลายตนะความรู้ในนามรูปความรู้ในวิญญาณความรู้ในสังขารทั้งหลายชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทา ความรู้ในเหตุเกิดแห่งทั้งขานชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทาความรู้ในความดับแห่งทั้งขานชื่อว่าอัตตะปฏิสัมพิทาความรู้ในปฏิปทาที่เป็นเหตุให้ถึงความดับแห่งทั้งขานชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิยรุษนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิ พาณปฏติสัมพิธานี้ชื่อว่าปฏิจสมุปปาทวาลหกปริยัติวานเจ็ดยยีปฏิสัมพิธาสคือ 1. อัฏฐปิติสัมพิธา 2. ธรรมะปฏติสัมพิธา 3. นิรุตติปฏติสัมพิธา 4. ออธปฏิภาณปฏติสัมพิธา บรรดาปฏิสัมพิทาสี่เหล่านั้นธรรมปฏิสัมพิทาเป็นฉไนพิกจุในธรมิ น, นี้รู้ธรรมคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอัพูตรธรรมเวทละนี้เรียกว่าธรรมปฏิสัมพิทาพิกจุนั้นรู้แตกฉานอัด แห ЕН ่งพาสิตธนั้นๆว่านี้เป็นอัตแห่งพาสิทนี้นี้เป็นอัตแห่งพาสิทธนี้นี้เรียกว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิรุตนั้นชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทานี้ชื่อว่าปริยัติวานสุตตันตภาชนีจบ